เราจะไม่หลีกจาริบไปโดยที่สุดแม้สิ ร, ระยะทาง 5-6 ถึงโยต์ต้องอบัดภาจิตตี